ชีวิตลำตายจะได้ไปสู่สวัสดีเรามาเข้าสู่ช่วงเครสดีวันนี้เป็นเคสที่917ลูกเขาวัดในปี2518โอนี่รุ่นเก๋าเลยนี่เพราะว่าเพังย้ายมีจากวัดปักน้ำเลย ขณะ น, นั้นเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงปีสองตอนนั้นได้เข้ารว่มกิจกรรมชมรมขับร้องประสานเสียงอายุคอ oh, รัสอ๋ออายุห1าอปีล้เหรอเนี่ยเท <c oughs> ่าแล้วสิเนี่ย <c oughs> วันหนึ่งโล ก, กเดชพบป้ายเชิญชวนเข้ารวมกิจกรรมชมรมพุทธซึ่งมีห้องอยู่ติกับชมรมประสานเสียงนั่นเอง แ, แรกแรกเมื่อมาเริ่มกิจกรรมชมรมกับร้องประสานเสียงเราจะแวะเข้าชมรมพุทธศาสตร์ด้วยจนในที่สุดก็เข้ามาอยู่ชมรมพุทธโดยทําหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่เห่งยิคของชมรมซึ่งกิจกรรมสําคัญในช่วนั้นก็คือสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นทุกวันชวนนักศึกษามาศูนพุทธจักรปฏิบัติธรรมตอนนั้นรับเป็นศูนย์พุทธจักปฏิบัติธรมนน ร, ธธธรมอยู่นะจ๊ะ ในวันณาทิตย์ทุกๆสัปดาห์โดยขอรถของมหาวิทยาลัยบางที่ก็ขอได้บางที่ก็ขอไม่ได้อาทิตย์ไหนขอไม่ได้พกราก็จะเช่ารถสองแถวมาวัดด้วยกันเดี๋ยความสนุกสนานพระเจ้าสมัยก่อนก็สร้างบารมีกันอย่างนี้นะเดีย๋ยวช่วเวลานั้นถนนยังเป็นถนนลูกรังมีต้นไม้เล็กๆหยุดนิดหน่อยทุกอย่างยังคงเป็นธรรมชาติของท้องทุง่งนา การมาวัดในยุคนั้นต้องห่อข้าวมากินเอง oh. ต่อมาคุณยายมหารัตนาบสิกาจันท์ขนกยุนท่านก็นสร้างกรงทานพวกเราจึงเลิกห่อข้าวมาวัดอีกแต่ก่อนก็ห่อข้าวมาวัดกันเลยนะ่ยเ<า>นั่ยแหละผล ก, ก, การสร้างบารมี<า>เห็นไหมเราก็กลายเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์เลยไม่ใช่ร<า>ยุห่อข้าวมาวัดไม่มีอีกแล้ว มันทีเดียวนี่เห็นไหมจ๊ะใ น, นเวลาถามเนี่ยพอใครมาอยู่ในยุคนั้นมันจะปลืม้มยังไงช่วงบิทเทอร์มตัวลูกและเพื่อนอีกสองคนก็ได้มาวัดช่วยงานต่างๆเช่นผูกเล็กเทปูนถนนไหนนั้นทํากันเองพวกเราปิ้งไปผูกเล็กที่หลังคาบโบสถ์ยังมีเห็นไหมเห็นไหมมันปลืม้มเห็นไหมจ๊ะ เท ป, ปูนบทดคัดหินบทดของวัดรรมกายเนี่ยหินทุกเม็ดนี่คัดยังกบเพชรพลอยเนี่ยที่ผนังบอไปดูเถอะถ้ามีสีดำนิดหนึ่งเอาออกสีเทาออกให้เหลือแต่ขาวไปแล้วจิตปทิลกรรมมือห น, นึ่งๆแล้วก็คัดคัดนี่แหละบทที่ลำลือบอเนี่ยบถ ท, ที่ก็บอกมีลูกระโบทดคิดได้ไงนะ แปลกจริงๆเลยแล้วตอนแรกก็หาว่าเป็นนิกกองนิกายอะไรกับเรือบสถ์หลังนี้แล้วในที่สุดบสถ์หลังนี้ได้ชนะเลิศสถาปฏิกรรมดีเด่นระดับชาตินี่ไง <Yeah. S 1> แล้วบสถ์หลังนี้เนี่ย hmm. ใครมาเป็นผู้ว่า ปทุมแล้วก็หรือแนมเพอของหลวงจะต้องได้มุดไตถุนโบสแล้วก็ศีรษะนี่นะี่มันมุดนี่จะโดนด้ตรงขอบโอ้เลยให้ชื่อว่าประตูสติประตูปัญญาคือเวลาลงต้องมีสติคนมีปัญญาก็รู้ว่าไตถุนโบส์นมันใครก็จะไปเก็บอาวุธเอาไว้อย่างนั้น เขากลัวระเบิดจะตายด้โบสถ์สร้างมาเกือบตายาพังอีกไอ้ที่กลัวๆเขาจะขูดลูกนิมิตฝังลูกระเบิดนี่นมันเป็นอย่างนั้นนะพวกเรารับบุญกันอย่างสนุกสนานปีติในบุญที่หลวงพ่อมอบให้พวกเราเราก็ได้ทาว่าอย่างต่อเนื่องไหนใครทำทุกบุญเมื่อไในยุคนั้นสาธุเห็นไหมถามแล้วมันจะปลืม้ม บรรยากาศที่อบอุ่นของความเป็นพี่ น, น้องเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกคิดว่าสักวันหนึ่งจะได้มาอยู่ช่วยงานวัดอย่างพี่ๆบ้างนี่จากสูนยวิจักปฏิบัติธรรมก็มาเป็นวัดพระธรรมกายเหนื่อยเหมือนกันนะเวลานึกย้อนหลังเนี้เหนื่อยโอ้ยเหนื่อยกันทุกรูปทุกคน เนี่ยนึกย้อนหลังโอ้โ ห, โโหนั่งรถกระบะตอนนั้นโทรศัพท์ที่วัดไม่มีต้องไปโทรโทรที่สะพานใหม่บ้านเอือ้อเฟื้อก็จะได้กลับมานู่นหลับมาในรถนะออทุกคืนถึงวัดกะที่สองอะไรทุกคืนทุกคื น, คนไปโทรศัพท์เนั้นอนอะทางกะกระโดกกระเดกกระโดกกระเดกพอถึงวัดเนี่ยมันจะตื่นเองเพราะว่าถ น, นนมันเป็นลุมเนบอ่อกระโดกกระเดก นาวัดถนนมันจะเป็นดินเหนียวแล้วฝนตกบาทีเนี่ยรถมันเอาข้างๆวิ่งนะ <c oughs> เกือบลงคลองอันนี้เออพิลึกกึกือนึกไปถึงเดี๋ยวนี้ก็ลาดยางแล้วเนะตอนนั้นข้างๆวัดไล่ละสามพันบาท <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็ไม่ทราบเท่าไหรนะ่อ <c oughs> ตอนนั้นฮะขนาดนั้นวันอะไรก็ไม่ทราบ เห็นสนักตัวเท่ามา้าวิ่งออกจากที่สร้างวัดแนละ้ว oh. แล้วก็วันีนอะไรอีกเพื่อนงินนะสนักมันมาสังสรรค์กัน hmm. ชุมนงันหน้าวัดแล้วมันก็ร่วมกันร้องเพลงโหยหัวมาไปลอยไม่รู้มาจากไหนในเพอประเดี๋ยวเดียวนะคุณยายท่านต้องปลูปกมรกรก็กล้วยนะ <c oughs> เลี้ยงพระนะ ใส่งอบแล้วก็ไปถางเนี่ยใครจะไม่เลอกถึงกระพุทธเจ้าสร้างวัดตอนอายุหกสิบไปนั่งถางเนี่ปกกยปลูกกล้วยปลูมแล้วก็เลี้ยงพระเลี้ยงทุกๆคนลูกหลานได้นในวัด น, น, นี่นั่นจริงจริงตอนนั้นคิดว่าจะมีอยู่แค่ยี่สิบเอดหลัง น, นั้นนะ่ะยี่บอ็ดองค์จะนั่งเงียบแต่ทำไมทำไมมาจากไหนก็ไม่รู้มากันเยอะมาเยอะก็ ไปให้ก็นั่งตากแดดตากลมตากฝนก็สงสารก็ เ, เลยสร้างโอ้สาราจตุจุได้ห้าร้อยคนก็คิดเอาแค่นี้พอแล้เพราะว่าตั้งใจจะมันบวชแล้วจะมานั่งหลับตาไมไคิดอะไรหรอกโอ้สาราจตุจุได้ห้าร้อยมาห้าพันงี้ไ่เช้าเต้นเอ้ไปลอยหลัง นั่งก็ยังล้นเต้นเอาไปนั่งกันกลางแจ้งอีกแล้วก็เป็นอย่างนี้ก็มากันเรื่อยๆที่จริงมันน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีของพระพุทธศาสนาประชาพุธเริ่มตื่นตัวสนใจการปฏิบัติธรรมนะแต่ไม่ยักอย่างเง น, นมันเป็นลึ ก, กเกินยิงครูไม่ใหญ่ได้ได้ฉา ย, ยาเยอะแยะเขาบริจาคฉา ย, ยามานี่โรยฉา ย, ยาเยอะแย ะ, ยะไปบท ี่พูดถึงว่าธรรมกายเลยเลยแวะข้างทางเพราะรุ่นหลังๆมันี่จะไม่มีโอกาสได้เห็นภาพเหล่านั้นแล้วเพราะเราเคลื่อนย้ายออกมานอกวัดแล้วมาสร้างสภาหลังคาจากจุได้มื่นคนมาสามมื่นนี้เอาเชาวเต้นภาพเก่าเกิดขึ้นเลยต้องมาสร้างสภาธรรมกายสามคนจุสามแ 0,000 นจะได้อะไรแหละต้องสร้างอะไรกันอีกนี่ แล้วก็เผื่อนเนี้ยวไว้ที่รอบมหาธรรมกายเจดีมหารัตนวิหารขดไว้ล้านเศษะก็เรียกว่าเอาละชาตินี้มีคนมาเยอะเราก็คงทําช่วยก็าได้แค่นี้ไปเดินสนามหลวงก็คิดโอ้ห์น่าจะมีหลังคาครอบสนามหลวง <c oughs> นึกไม่ถึงเลยเออ <c oughs> ในสุดเราได้สร้างสภาธรรมกาสามคนใหญ่กว่าสนามหลวง <c oughs> นามหลวมเจ็ดสิบ่นี่เฉพาะชั้นบนก็ร้อยกว่าไรกันไปแล้วค ล, <ะ>ลอบเลยเออก็ได้จริงๆนะพอวันงานล้นแล้วจ้า<ะ>ทำไมต้องสร้างใหญ่<ะ>ก็คนมาเยอะน ะ, ะคนที่ชอบมีคำถามไปแปลกนเวลามาวัด<ะ>ทำไมไม่ถามว่าทำไงจะเห็นพระในตัว<ะ>ชี้ไปที่ลาวตากผ้านะ่ะเห็นจีวรตา ก, ก น, <ะ>นั่นอะไรนะเ<ะ>นี่ยเสียงดุดงอย่างนี้เลย มะกุเทศก็ชักกลัวมะกุเทศของวัดที่นําชมวัดอ๋อจีวร ก, ตกต็ตอบสั้นๆเพราะว่าแนะนํำว่าอย่าไปตอบเยอะตอบสั้นๆนั่นอะไรเนะี่ยจีวรเอาไปทําไมเนะี่ยเอาไปตากก็จะมีคนถามต่อตากทำไมอ่ะให้แห้งเออให้มันได้อย่างนี้สิทำไมไม่ถามว่านั่งยังไงถึงจะเห็นองค์ละจนกระทั่งเขาสะกิดกินเองบอก คุณคุณคุณเลิกถามแล้ว <iri> เขาก็บอกเลยไงอะไรไปจีวรเยอะถามมีคาถามอขอถามมีคาถามนึง <th> ก็พระเยอะโอ้เหนื่อยจังเลย <c oughs> เหนื่อยเหนื่อยนี่แต่เหนื่อยเน็ต <c oughs> แต น, นไม่ได้เหนื่อยเหน่อยถึงไหนแล้วเน่ยหลังจากสำเร็จการศึกษาลูกก็ได้ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ลูกยังมาวัดเป็นประจำและได้ช่วยงานทางวัดไม่ขาดไปไวาจะเป็นประธานกติณีป้าปลานี่ประธานทําหน้าที่กัลยาณมิตรนี ชวนคนทำความดีแล้วยังมาเป็นอาสาสมัครช่วยงานแม้กระนั้นลูกก็ยังได้พบคนที่ถูกใจจนได้อเอาอีกแล้วเพราะว่าเขาเป็นคนเอาใจเกง่งเขาก็เอาใจชั่วคราวแหละ <c oughs> อย่าไปเชือ้อกี่ฮกทังเพเลย <c oughs> กี่ฮกสังเพกี่ฮกสังเพเอาใจเก่งก็ชั่วคราว <c oughs> เราจะไปรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันทุกวัน <c oughs> อืบรรยากาศักจะดีแล้ว จนวันหนึ่งเขาได้พูดถึงเรื่องการแต่งงานอืมเห็นไหมละ่ะนี่ไงพอสบตากับพัฒนาไปเป็นความห่วงใย ห, ห่วงกันไปห่วงกันมาก็เลยขอแต่งงานขณะนั้นลูกก็สองจิตสองใจว่าจะทำอย่างไรดีจะแต่งงานหรือก็เกรงว่าจะอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะเขาเป็นลูกชายคนโตในครอบครัวคนจีน หากแต่งงานแล้วกลัวไม่ได้มาวัดหรือว่าแม้หากได้มาวัดแต่ก็กลัวว่าตัวเองจะไม่ได้เกิดเป็นผู้ชายเราเคยได้ฟังคุณยายท่านสอนว่าแต่ใครแต่งงานแล้วอยากเกิดเป็นผู้ชายก็ตั้งตูแลปลนในบัสามีประดุดฝาสามีเป็นเทวดาซึ่งลูกก็รู้ตัวว่าลูกทำอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้ลูกทำไม่ได้อย่างแน่นอน จะให้ปฏิบัติสามีประดุจเทวดาไม่ได้แต่เทวดาก็ะจะจตุเรถได้นี่ยักษ์นี่เป็นนางยักษ์ผ่านเขียวๆสรุปได้ ว, ว่าโลกคิดเรื่องเดียวแต่คิดวนไปวนมาแปลว่าไม่ใช่เป็นคนคิดมากแต่คิดเรื่องเดียวทั้งคืนจนน้อยไม่หลับมาหลายต่อหลายคืนคิดอย่างนี้วนไปวนมาเลายว่าจะแต่งงานดีไหม จนนอนไม่หลับหลายต่อหลายคืนฟุ้งซ่าน แ, แต่เหมือนบุญมันดาล์ลูเดมิโอการมาพบหลวงพอ่อแล้วหลวงพ่อก็เมตตาทักลูกว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะลูกก็ได้ตอบหลวงพ่อว่าเจอเหี่ยวเจ้าค่ะออื <laughs> ช่วงสุดท้ายหลวงพ่อถามลูกว่าแล้วตัดได้หรือยังล่ะจ๊ะ ด้วยเลือดของนักสู้ลูกก็ตอบว่าได้ไ ด, ได้เจ้าค่ะพ่อก็ตอบว่าดีชิตังเมบเ<อ>มื่ <laughs> อคิดว่าต้องทำไม่ได้ก็คิดต่อว่าแล้วจะทำอย่างไรดีคิดไปคิดมาก็ตัดสินใจว่าต้องถือศีแลแปดถือศีล8ปดนั้นต้องรับประทานอาหารกวันก่อนเวลาเที่ยง ที่เคยไปได้วยกันกับคนรักก็จะไม่ต้องไปได้วยกันเมื่อคิดได้ก็เริ่มถือศีลแปดทันทีหักดิบเลิกติดต่อเลิกไปทานอาหารกลางวันด้วยกันอีกแต่ก็นั้นน่ยลูกขอเปิดเผยด้วยความสุจริตใจลูกก็ยังคิดถึงคิดถึงเขาอยู่แต่ก็บุญอัศจรรย์ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นบุญอัศจรรย์พอเดินปกติเวลาเวลาเราจะคิดถึงใคร เราจะต้องเห็นหน้าคนคนนั้นแต่เามา่ลูกคิดถึงเขาที่ลายกลับเห็นหลวงพ่อเห็นหลวงพ่ออยู่กลางท้องอย่างชัดใส <G ül> เป็นสีสีมีมติ oh. ม, ตมิติครบถ้วนทีเดียวโดวยเหตุนี้ลูกยิงมีกําลังใจยิ่งขึ้นเนี่ยห <G ül> ลวงพ่อเปขวัญเป็นกําลังใจ <G ül> เรียกว่าใครนี่มาหาลือนี่นะใครเป็นแฟนยังมาหาลือเนี่นะครูไม่อยากไปแต่งงานกันดีไหะ ก็จะออกบวชทั้งคู่ตั้งแต่เป็นนักศึกษาแล้วใครมาหาือเรื่องนี้น ะ, ละเลิกก็ทุกคู่เลย <laughs> ก็เป็นชีวิตมันเป็นทุกข์อะแล้วก็สังขารมันมีความเสื่อมเป็นธรรมดา น, <laughs> นี่มันเดี๋ยว <laughs> เธอสังหร่ายต่างเป็นเนื้อห้อย <laughs> อยู่ด้วยกันไปกันนานๆ <laughs> เธอสังรายต่างเป็นเนื้องอกมึงเนื้อห้อยมั้ง <laughs> <laughs> เออเป็นอย่างนี้ได้วเหตุนี้ลูกยิ่งมีกําลังใจยิ่งขึ้นบาหลังพ่อเป็นขวานเป็นกำลังใจและคุมบุญคุมผังให้ความสําเร็จให้กับลูกอยู่ตลอดเวลาเมื่อถึงเวลานี้ทําให้ลูกได้คิดว่าหากคราวรับปากกับครูบาอาจารย์กระทําสิ่งใดแล้วและตั้งใจหาวิธีการลงมือทำก็จะต้องสําเร็จเป็นแน่นอนนี่แม้เธอผ่านขั้นตอนชีวิตนั้นมาแล้วตอนนี้ชีวิตเธอสว่าง หลังจนั้นะปีามสี่ลูกก็ได้เข้ามาเป็นอุบาสิกางานที่ลูกทำมกักต้องทำนาทีบุกเบิกงานใหม่หรือต้องมาทํางานที่ต่างแกะไขในสิ่งที่ผู้อื่นทําค้างไว้ให้เข้าที่เข้าทางอยู่เสมอซึ่งลูกก็สงสัยว่าเป็นบุญอะไรของเรานะจึงมักจะได้งานลักษณะอย่างนี้อยู่เสมอแ <Yeah. S 1> ต่มาปีสีสลูกป่วยเป็นมะเร็งเต้าน ม, มระยะที่สองตรวจพบในหมอแผนปัจจุบันแต่ลูกเลือกรักษาด้วยแผนโบราณ หมอแผนโบราณท่านนี้รักษาด้วยการนวดและยาหลายอย่างทั้งยาทายาต้มและยาผงระหว่างรักษาก็ไม่มีอาการกำเริบขึ้นมาอีกจนกระทั่งมาปีสี่8ปรอของลูก ก, กำเริบขึ้นมาโดยได้ออกข้างขวาโตวบวมแข็งดำได้กินยาของหมอจนหน้าอกยุบลงไปแต่มันกระทำให้แข็งลูกตึงมากจะไม่สามารถขยับแขนได้มีอาการบวมแข็งและปวด ความเจ็บปวดที่มันแทรกเข้าไปในทุกอณูเนื้อของเราเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียว ก, กันกับตัวเราจนแยกไม่ออกไม่มีหยุดพักมีแต่ความปวดน้อยกับปวดมากเป็นความทรมารจวบจนถึงปัจจุบันนี้อืมน่ากิในใจทีเดียวนังเข้าใจเพราะนั้นก็รักษาองค์พระธรรมภายนะให้ใส่ ใ, สให้ดีนะจ๊ะพ อ, องลูปเป็นคนจันทบุรีไม่ดื่มเหล้าไม่สซบะรี เป็นคนขยันมากจะได้รางวัลจากกระทรวงมาถ่ายด้านความขยันสร้างตนเองเป็นหลักฐานแต่พ่ อ, องลูกเป็นคนเจ้าชู้พอพ่อมาอยู่กินกับแม่ของลูกซึ่งเป็นภรรยาคนที่สองพอแม่มีลูกคนที่สองพ่อกลับไปหาภรรยาคนแรกพอภรรยาคนแรกตั้งท้องพ่อกลับมาหาแม่ของลูก <Good. S 1> อ๋อฮูกาฮูกาเนี่ย <laughs> พอแม่ลูกตั้งท้องพ่อกลับไปหาภรรยาคนแรกกลับไปกลับมาอย่างนี้ตลอด เวลากลับมาหาแม่พ่อก็จะบอกกับแม่ปลอบใจว่าแมวนะอย่าคิดมาจะากระทั่งถึงตัวลูกซื้อเป็นลูกคนที่สี่ใกควาที่พ่ออยากได้ลูกชายเมื่อแม่คลอดตัวลูกมาพ่อก็รีบตื่นลงมาดูพอดูแล้วเห็นว่าเป็นผู้หญิงพ่อก็เลยกลับไปนอนต่อโดยไม่สนใจอีก จากนั้นพ่อกระหาเหตุกระไรไปมีภรรยาคนใหม่คนที่สามเพื่อเพื่อว่าจะมีลูกชาย<อ>แม่จึงตัดสินใจเ<อ>ลิกกับพ่อขณะที่ตัวลูกอายุได้เพียงแปดเดือนและก็เลี้ยงดูลูกๆเองโดยลำพังจะด้วยความที่แม่งลูกเป็นคนใจบุญข้าววัดปฏิบัติธรรมแต่แต่ยังสาวท่านจึงใช้หลักธรรมในการเลี้ยงดูลูกๆของท่านด้วยความรักโดยลาพัง แล้วไม่เคยพูดหรือทำสิ่งใดให้พวกเรารู้สึกโกรธและเกลียดชังคุณพ่อเลยซึ่งคุณพ่อท่านก็เอเลิหน้าไปเรื่อยๆมีครอบครัวใหม่ๆอี ก, กเรื่อยๆรวมแล้วว่าคุณพ่อมีลูกทั้งหมดไม่ถึงไม่ถึงสิบเจ็ดคนจากภรรยาสี่คนคุณพ่อตายไปอายุเจ็ดสิบห้าปีด้วยโรคหัวใจโต ส่วนคุณแม่เมื่อมียุบ ม, มากขึ้นก็นได้รับการผ่าตัดใหญ่สองสามครั้งครั้งแรกเมื่อยุบเจ็สิบสามปีป่วยเป็นโรค ก, กระดูกสันหลังเสื่อมก่อนที่จะผ่าตัดแม่ได้ไปปฏิบัติธรรมที่ดอยสุเทพปุยหนึ่งอาทิตย์หลังจากนั้นก็ได้ไปผ่าแต่กระดูกสันหลังออกไปสามข้อแล้วเปลี่ยนไปใช้เหล็กแทนแต่ช่วงที่ยาสลบออกฤทิ์ก่อนผ่าตัดแม่ก็รู้สึกเคลิม้มแล้วก็ได้เห็นพระธรรมกายสีทองสามองค์ลอยมาอยู่ตรงหน้าก่อนที่จะสลบไป แสดง่ใจท่านอยู่ในบุญนะครับหลังผ่าตัดแล้วการกระฟื้นตัวเร็วมากครั้งที่สองก็ผ่าตัดต้ออีกหนึ่งครั้งครั้งที่สาผ่าตัดเข่าเสื่อมอีกหนึ่งครั้งปัจจุบันอายุท่าน85ปี<อ>คุณยายเป็นหญิงชราร่างเล็กๆผอมบางชอบกินมากคุณยายมีลูกหนึ่งคนคือแม่ของตัวลูกเองลูกจําได้ว่ายายเนี่ยเป็นคนขยันกิจวัตรที่ยายทําสม่ำเสมอคือให้ลูกคอยดูต้นทาง เป็นใคระูทุตลาใส่บาตรบาตรพระพิธีบาตมากขึ้นทีถึงที่บ้านแล้วหรือยังหากโลกเห็นพระเดินมาก็จะส่งเสียงเรียกยายว่าพระมาแล้วยาก็จะตักข้าวร้อนๆแล้วกลับข้าใส่สําหรับมาใส่บาตรนี่ถึงใส่บาตรนะจ๊ะทำบุญเลี้ยงพระอย่างงี้แต่ไม่ใช่อย่างนี้นะ เออถ้าเกิดไปเอ่อไปได้พอบ้านนี่ไม่เข้าใจเนี่ยอย่าไปทําอย่างนี้บ่อยดิเดี๋ยวอีอีเคยอีติใจอีติใจพวกนี้อีก็มาอีกเนี่ยอกลัวพระจะมาอีกมึงคนไม่เข้าใจเนี่ยสามีภรรยากันภรราก็ใจบุญใส่บาตรสามีถ้าเป็นคนจีนน่ยมันก็รู้เรื่องมึงจะทําอย่างนี้สิเดี๋ยวอีติใจอีอมาอีกนะพวกนี้เนี่ยโอกลัวบอกอ๋ให้อีติใจยิงเถอะ ดีเหมือนกันเนาะเดินไปยอนตักข้าวตักกับไว้คอยนานๆเลยคือต้องออกของกร้อนๆ <Okay. S 2> เพราะท่านรู้ว่าพระคือเนื้อนาบุญแต่บรรพยาก็จะไปถือบุตรสติสินที่วัดเป็นประจำเราก็จะตามยายไปบ้างเช่นกันนี่คือการถ่ายทอดวัฒนธรรมชาพุทธเห็นไหมจะ๊ะจนกระทั่งยายอายุมากจนเดินไม่ไหวจึงหยุดไปถือบุตรสตริวัดอีกยายเสียชีวิตเมื่อยายุตปดสิบสามปีโดยโรคชะลา ลกพน้องที่สร้างบารมีเดียกันอยู่คนหนึ่งรู้จักกันนอนที่อยู่ทุดงสุขเสาทิฏฐิสภาหลังคาจากตอนนั้นน้องทํางานเป็นลูกจ้างโจคราของกรมโชระประธานมีที่พักไม่สะดวกก็เลยชวนไปพักที่บ้านของลูกแล้วน้องก็มาเป็นอาสาสมัครช่วยงานที่โรงครัวต่อมา น, อน้องเข้ามาอบรมธรมธรมทาจาหญิงแล้วก็เข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่วัดสํานักโภชนาการทำอาหารถวายหลวงพ่อขรย์ยายอยู่หลายปี จจุบันรับบนอยู่ที่สำนักบริการกลางเขาเป็นน้องที่รู้จะเกิอกบครูมาตลอดทั้งเรื่องการเรียนและเรื่องอื่นๆอนอเอาทำอาหารถาวายครูไม่ใหญ่นะนี่หน้าเเจอแต่ไข่เค็มพองน้องเป็นครูสอนหนังสือแต่มาเปลี่ยนอาชีพเป็นช่างไม้ของกรมจรประทานพอง น, อน้องสซบุรีดื่มเหล้าและเล่ น, ล น, ลนการพนันพอกับแม่งน้องไม่ค่อยได้อยู่ร่วมกัน พ่อของน้องต้องปฏิบัติหน้าที่ในทางยิบัดจะทําให้ต่อมาพ่อกับแม่ของน้องก็แยกทางกันโดยแม่ของน้องเป็นคนรับเลี้ยงลูก <breeze> ทั้งหมดพ่อของน้องก็เสียชีวิตเดี๋ยวสับสนหรือเปล่าจ๊ะไม่ในกำลังพูดถึงพ่อกับคุณแม่ของน้องพ่องน้องเสียชิด้วยโรคมะเร็งลำเบาหวานเมื่ออายุได้เจ็ดสิบสามปีแม่ของน้องอ่านเมื่อกี้พ่อของน้องไปแล้วนะแม่ของน้องสุบุรี ดื่มเหล้าและเล่นการานันแต่ภายหลังเลิกดื่มเหล้าและเลิกเล่นการานันแต่ไม่สามารถเลิกสูบุรีได้<อ>แม่งน้องเสียชีวิตด้วยโรคเส้นเลือดฝอยในสมองแตกเชียร์พลันเมื่อยอายุเจดสิปีคำถามด้วยบุญใดทำให้ลูกได้มีโอกาสสร้างโบสร้างวัดในช่วงแรกๆเจอกระทั้งถึงสองพใครั้บุญใดทำให้ลูกสามารถอรอดพ้นจากการมีชีวิตครอบครัว แ้ากหลวงพ่ไปช่วยไว้ชีวิตลูกจะเป็นอย่างไรอ๋อก็มีครอบครัวสิจ๊ะก็ถูกเขาเอาครัวมาครอบถูกผูกย่อนยอนเนะนี่ถูกผูกย่อนย่อนไปไหนพี่พลกรรมในลูกมาต้องทําหน้าที่บุกเบิกงานใหม่หรือต้องมาทํางานที่ต้องแก้ไขในสิ่งที่ผู้อื่นทําค้างไว้ให้เข้าที่เข้าทางอยู่เสมอและลูกจะได้อานิสงส์อย่างไรบ้างคะลูกมีวิบากกรรมอะไรจึงป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านม กรรมใดทําให้ลูกเลือกตัดสินใจเลือกรักษาด้วยวิธีการแบบโบราณและวิธีการรักษาชช่นนี้จะทําให้ลูกหายขาดจากโรคที่ทรมานนี้หรือไม่คะหากลูกเลือกรักษาแบบแผนปัจจุบนันลูกจะทุกขทรมานจากโรคเช่นเดียวกันกับปัจจุบันไหมคะและเป็นชาติสุดท้ายหรือไม่กรรมนี้จะส่งผลลูกจะแก้ไขยอย่างไรพ่อลูกตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่แม่ลูกทํากรรมใดมาจึงต้องผ่าตัดหลายครั้งหลายหน เมื่อมีอ า, ายุมากเช่นผ่าตาดกระดูกสลังออกสามข้อภ่าตัดต้อหนึ่งครั้งและภ่าตัดเขา่าเสื่อมหนึ่งครั้งแม่เคยสร้างบุญมากับลูกและหมูค่คณะอย่างไรกรรมใดที่พ่อกับแม่ต้องแยกทางกันเพราะพ่อมีปริยาพร้อมกันหลายคนและลูกมีวิบากกรรมร่วมด้วยหรือไม่ยายตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่พ่อแม่น้องตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่ทไปให้ หรือไม่มีข้อความใดฝากมาบ้างไหมคะรู้และน้องมีความสัมพัน์ในอดีตกันอย่างไรจึงได้มาเกือก้อคูลกันในชาตินี้เพราะวิบากกรรมใดน้องจึงมีนิสัยช่างคิดคิดแบบเล็กเล็กในน้อยกระจุงกระจิ๋มไปเรื่อยเรื่อยจนบางครั้งก็ทําให้ตัวเองลําบากเพราะว่าพอเอามารวมกันมื่อก็คิดโตเมื่อจะแก้ไขได้อย่างไรที่คิดกระจุงกระจิ๋มเนี่ย <c oughs> น้องเคยร่วมสมร้างบารมีกันมาอย่างไร ทำหน้าที่ใดในกองทัพธรรมทำผลการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรคะตัวโรคปีศาจคนโตและปีศาจันที่สองโรคบนกมูกันนามาอย่างไรเคยทําหน้าที่ใดในกองทัพธรทำในรา ม, มารอบสองหรือไม่ชาติก่อนผลการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรคะชาติต่อไปลูกอยากเกิดรอบสองต้องทงอย่างไรคะนี่จาเรื่องราวและคาถามได้ไหมจ๊ะจำได้ ลับตาฝันมปนตัวเปตาตื่นขึ้นม า, านแล้วก็นำมาล่ฟังปนิยายปารามราการัญชาลูกได้มีโอกาสสร้างโบสถ์สร้างวัดในช่วงแรกจนถึงสองพันไล่พระลูกคอยอธิษฐานจิตมาเมื่อพุทธัดอนที่ผ่านมานี้ยก็ขอ้ได้มีส่วนในการร่วมสร้างศางสนาสถานเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลก จึงทำให้ลูกได้โอกาสนี้มาสร้างบารมีจะ้ะลูกราษฎรพจารมีชีวิตครองเรือนเพราะบุญในอดีเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาเนี่ยภายหลังจากการทำบุญแล้วเนี่ยมักจะอธิษฐานจิตว่าขอให้อย่าได้ครองเรือนเลยได้เป็ประพฤติพรหมจันทร์เนื่องจากชาตินั้นเบื่อนายชีวิตในการครองเรือนมาก เบือบ่อเบือ่อเบื่อลูกก็ดื้อสา ม, กาก ม, ก ม, มีก็ดื้ออย่างเงี้ลูกมันรู้มันมีดื้อได้ก็บดื้อดึงเนี่ยคนไหนควรจะดื้อดึงคนไหนควรจะดื้อด้านนี่สามีและลูกลูกลูกของลูกนี่เลยเบื่อชีวิตการคลองเรืออย่างงี้ยเลย หากลูกไปคล้องเรือนตั้งแต่ช่วงแรกที่เวัดนั้นลูกก็จะมีชีวิตที่สับักสบอมมีความทุกข์จากการคล้องเรือ น, นเหมือนพุทธนนทิพานมานอกเหนือจากการมีทุกข์เพราะสุขภาพอย่างที่เป็นปัจจุบันเนี่ยจุบันแค่ทุกข์เพราะสุขภาพแต่ถ้าไปคล้องเรือนแล้วทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตเลยเลยเรามาต้องมาทํางานบุกเบิกหรือต้องมาทํางานแก้ไขที่คนอื่นทําค้างๆไว้เสมอนั้นก็เป็นเรื่องปกติ ของการทํางานทั่วไปอีกทั้งรวมทั้งลูกนักมักจติฐานมาว่างานใดที่ใครทําไม่สําเร็จขอยเราจงทําได้สดํสาเร็จคือชอบงานท้าทายอีกทั้งขอยได้ทํางานบุกเบิกด้วยจะลูกก็จะได้วิริยะบระมีขันติบรมีสัจจะบรมีอีกทั้งไปอยชู์ที่ใดก็จะสามารถประสบความสําเร็จในงานที่ยากและท้าทาย และเมื่อถึงเวลาก็จะได้ของที่คนอื่นได้ยากแต่ทุลูกก็จะได้อย่างง่ายๆจ้ะโลกเป็นมะเร็งเต้านมเพราะกามกามเมเจ้าชูในหลายๆชาติมารวมกันส่งผลจ้ะน่ากลัวยังเลยเนะโลกตัดสินใจเลือกรกษาด้วยแผนวิธีแผนโบราณคือแผนอดีตหรือแผนใดก็ตามถ้าวิบากกรรมยังมีอยู่ก็คงหายขาดยากจ้ถ้าชานี้พระพุทิพรหมจารได้ตลอดชาต ชาติด้ก็จะเป็นชาติสุดท้ายชาติต่อไปก็จะได้เป็นผู้ชายแล้วไม่ต้องมาเป็นดังนี้แล้วจ้ า, า, าจะแก้ไขสั่งสมบุญทุบุญทังทานศีลภาวนาให้มากมากแล้วติฐานเจตทบุญนี้ไปตัดอราววิบากกรรมดังกล่าวจ้าพองลูกตายแล้วก็ดำดิ่งไปเลยจ้าไปสู่มหาเนรขุ้มสามโ<อ>ดวยวิบากกรรมกาเมเจ้าชู้กำลังโดนมิสนิริยบาลนี่นางสาวนิริยบาล เชื่อฉชนแหละสับฟันอุปกรณ์นั่นแหละตายเกิดตายเกิดนับครั้งไม่ถอดมีความทุกข์ทรมานมาก เ, าเห็นแล้วสงสารจริง ๆ, ๆเลยไม่อาจรับบุญได้แต่ให้ทําบุญอุที่ไปให้จันบ่อยๆบุญนี้ก็จะได้ไปคอยอยู่ที่โยมโลกไมื่ทันพ้นท้อจากยมโลกออกจากมหานรกแล้วก็จะได้มารับบุญได้นะจ๊ะแม่งลูกต้องพาตัดหลายขนช่นพาตัดกระดูกสันหลังออกสามข้อ ผาตัดต้อนหนึ่งครั้งผาตัดเข่าเสื่อมหนึ่งครั้งเพราะกรรมแน่ดีที่เคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมได้เคยใช้สัตว์เช่นลานแบกของหนักเกินไปจึงทําให้ต้องผ่าตัดกระดูกสันหลังและผ่าตัดเข่ากับกรรมขังสัตว์ไว้ในที่มืดเช่นปลาขังไว้ในตุ่มในหและปิดฝามาส่งผลในผ่าตัดดวงตาอีกทั้งขาดบุญประทีปโคมไฟด้วย oh. มิบาคกรรมมาส่งผลตรงไหนก็ตอนนั้น เพราะคนสูงอายุก็ไม่ใช่ว่าจะต้องผ่าตัดนี้ทุกคนนะแม่เคยสร้างเมืองกมุคณะมาแบบกองเสบียงบางชาติประเภทไป็สม่เสมอจึงทำให้บางชาติกัเจอกันกมุคณะบางชาติก็ไปเจอกันจ้าส่วนตัวลูกกับมีการเมคล้ายแม่จึงมาเกิดกับแม่ที่มีการ์มีเจ้ชู้เหมือนกันกล่ำคล้ายๆกันดึงดูดก็หากันจ้าพ่อกับแม่แยกทางกันพระพ่อมีปริยาพร้อมกันหลายคน ก็เป็นภาพในอดีตของแม่เป็นกรรมหลักภาพในอดีตของแม่เนี่ยที่มีกรมกรมกับเมียชูเนี่ยเป็นกรรมหลักเลยในสมัยที่แม่เป็นบุชายชูก็ได้ทําแบบพ่อดังนี้เลยใชะส่วนตัวลูกแค่เป็นเศษกรรมการเมียชูในสมัยที่เกิดบุชายจึงต้องมาเกิดในครอบครัวที่พ่อเจ้าชู้และพ่อกับแม่แยกทางกันใช่ยายตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพพิดาสุดสวยมีวิมานทองชั้นดาววดึงเศษสาม ที่ใ ห, ให้โลกไปดูต้นทางโดยบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นประจาเช่นสบาตอนเชา้าเป็นต้นเรีรับบญที่ที่ไปให้แล้วก็ทําให้ท่านมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นจ้ า, า, าพ้องงนน้้ออตาายยแลวไปู่มหรกขุม้องน้องใ<า>นใจ<า>น้องที่เกื้อกูลกันนะ<า>ได้กรรมดื่มสุรากํลาลังถูกกรอกน้ํากรดสีดํารอ้อนแรงทุกทรมานมากถ้าไปยมโลกขุมหา้าน้นําทองแดงร้อนโลหะทองแดงร้อน ท่ามาหาราชโลกก็น้ำกรดสีดำร้อนแรงไม่อาจารับบุญได้แล้วจะต้องไปอีกหลายคุมเพราะผิดศีลหลายข้อส่วนแม่ก็ไปอยู่ยมโลกแม่ของน้องเนี่ยไปอยู่ยมโลกของมาหาราชโลกคุนห้าด้กรรมดิวสุราแต่รับบุญ ท, ที่ไปให้แล้วก็ได้รับลดหย่อนพ่อนโทษลงมาจ้ะแต่ยังไม่หมดกรรมนี่พ่อของน้องไปมาหาราชโลกคุนห้าแม่ของน้องไปยมโลกของมาหาราชโลกขุนห oh. ้ากรรมสุราเห็นไหมจ้ะ ผู้ผิดผู้ขายนี่ไม่ได้รับผิดชอบชีวิตในปรโลโลกของผู้ดื่มผู้เป็นลูกค้าซื่อสัตว์นี่แหละลูกและน้องมาเกื้อกูลกันในนะปัจจุบันเพราะแนะดีจะเป็นพี่น้องกันได้เคยเกื้อกูลกั น, กนชานี้มาเจอกันก็ได้มาเกื้อกูลกันอีกจ้า <Yeah. S 1> น้องคนนี้มีนิสัยชอบคิดเรื่องเล็กๆน้อยๆกระจุมพิถีมไม่เลื่อยๆ เ, เนี่ย <laughs> จนบางครั้งทําให้ตัวเองลําบากเพราะ เป็นอุปนิสัยดังนี้ละข้ามชาติมาจะหลายชาติแล้วมันติดกันไปในขันทสันดานอ้ะนี่มาคิดกระจุ่มก็จิมมีใครมั่งคิดกระจุ่มกระจิงจะแก้ไขต้องไปบอกน้องนะลูนะลกนะเราต้องเป็นคนไม่ดื้อต้องว่านอนสอนง่ายต้องอดทนจะ่าไปกระทบกระทั่งกับใครให้มีความเคารพอ่อนน้อม อย่าเป็นคนมักโกรธเพราะถ้าทาให้เท่ากับทําร้ายตัวเองคือทําให้ตัวเองไม่สบายใจแล้วก็ได้ชื่อว่าทําร้ายตัวเองทําร้ายตัวเองแช่แล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีอย่างเดียวอีกทั้งต้องนั่งสมาธิมากๆอย่าขี้เกียจนั่งสมาธิอย่านึกว่าทําครัวสบายลมพ่อกระยายเพียงพอแล้วยังไม่พอ เดาไข่เค็มมาเลื่อยๆอยต้องบริหารเวลาของชีวิตให้เป็นอย่างนี้เป็นต้นจ้าฉันทุกวันจักวันของขัคงขันได้เนะโอ้แม่เช้าก็ไข่เค็มเพลนก็เค็มอีกตอนนี้ดีหน่อยทำเองไข่ไม่ค่อยจะเค็มไอต้านไข่เค็มก็ฉันไปสองคําเพราะมันเค็ม แต่หลังไปพัฒนาไข่เค็มมาเป็นไข่ไม่เค็มฉันหมดกัมรลำพึงบอกว่าหลวงพ่ออย่าไปฉันหมดอายุเยอะแล้วเดี๋ยวคอเลสเตอรอลสูงให้ฉันนิดหน่อยไอ้ที่ทำอร่อยจะฉันหมดก็ไม่ได้ชะตาครูไม่ใหญ่เนี่ยมันเป็นไงก็ไม่รู้เคยสร้างบา ร, รมีกัมูขะนามาโดยเมื่อพุทธนันทิ่านมาได้เป็นกุลธิดาก็มีอุปนิสัยอย่างนี้จ้พุทธนันทิ่านมาน้องของลูกเนี่ย เป็นกุรธิดามีอุปนิสัยเป็นคนดือ้อเป็นคนว่ายาเป็นคนถือโตัวเป็นคนมักโกรธเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยจะได้มีความลำบากในการคลองเรือนอ <laughs> คิดเลก็กคิดน้อยลำบากในการครองเรือนอสา ม, มีจึงทิ้งตัวเองจึงเป็นทุกข์ในคำอมาสรวมเรมีกมู่ขณะตอนอยุมากแล้วตอนสา ม, มีทิ้งไปแล้ว ไม่รู้จะไปไหนก็วัดดีกว่ามาเจอวัดเจอหมู่คณะตอนอายุมากแล้วไม่ไหวแล้วแล้วก็เลยมาอธิษฐานจีไขได้ประพฤติพรหมจรรย์อยู่กับหมูห่คณะชาตินี้จึงได้เข้ามาอยู่ในหมนู่คณะแต่ก็ยังไม่ทิ้งนิสัยเดิมทาไม่ทิ้งชาตินี้ก็จะตั้งติดไปในชาติหน้าพุนนานที่ผ่านมาก็เป็นกองเสบียงแต่นั้นชาตินี้รู้แล้วรีบแก้ไขตัวเองนะลูกนะรีบด่วนจีแจ้ เป็นสมาชิกเขตไหนก็ลุยได้เยอะหน่อยอิสากันตอิสากันที่สองเคยสร้างบ ร, รมีกหมู่คณะมาแบบกองสเสบียงแต่บางครั้งก็เต็มที่บางครั้งก็เต็มทีบางคั้งก็ตมาอตมาอม า, ารมณ์ไม่ค่อยจะสม่ำเสมอส่วนตัวลูปของพุทธนนทิ่านมาแต่เป็นทาหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชออกรบค่าขาดศึก ม, มากๆธรรมภ า, ายหลังได้ออกบวชตาม มาบแล้วกระเด็ดทำนาทีเผยแผ่จนหมดอายุไขีผลการปฏิบัติทํามได้ดวงใสๆพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีวงบนวิเศษจ้าเ<า>ดี๋ยวเรามาสร้างบารมีสองรอบจ้านี่ไม่ธรรมดามาจากวงบุนวิเศษชาติการกามีเจ้าชูวในดีหลายๆชาติมาส่งบทที่เป็นผู้หญิงจ้าเข็ดหรือยังจ้าชาตินี้ตั้งปฏิบัติทําให้เราถึงองค์พระภายใน แล้วรักษาบ้านคงและอธิษฐานจิตดังที่รูปรารถนาก็จะสมหวังแจ่ชาตินี้ก็มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบรมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุญวิเศษเขตพรมโพธิสัตว์จะริ้พัฒ์กันเลยจ้าสาธุนี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสสต๊ ด, ดีสั้นๆสำหรับคืนนี้